คนที่เราผูกพันด้วยครัถ้าว่าเราตระหนักอยู่ถึงนี้อยู่เสมอเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแบบปุบปั๊บเนี่ยหรือค่อยๆเกิดก็ตามเนี่ยเราจะทําใจยอมรับได้ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ได้เตรียมใจเรื่องนี้ไม่ได้ระ ล, ลึกนึกถึงเดิน อ, อยู่เสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นเนี่ยก็จะยอมรับไม่ได้ครับทําไมต้องเป็นชั้นใช่ไหมหลายคนเนี่ยจะจะบ่นอย่างนี้จะอดโอยโดยเพราะพบ ว, ว่าตัวเองเป็นมะเร็งพบ ว, ว่า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 เมื่อเกิดความแปรปรวนหนักๆขึ้นเกิดเหตุร้ายที่แรงๆขึ้นเนี่ยเราจะยอมรับมันได้มากขึ้นเพราะว่าเราได้ฝึกมันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เวลาเราคนเราเวลาเจอความทุกข์นะครับพระอาจารย์ก็จะมีคนมาปลอบใจเรานะครับเช่นเาบอกว่าอย่าคิดมากนะให้มองโลกในแง่บวกบ้างนะครับคือพอพูดแบบนี้เวลาคนที่อาจจะ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 เรามองแบบนี้ก็ได้ว่าที่อย่างที่เกิดขึ้นรถติดก็เป็นธรรมดาเงินหายก็ธรรมดาเพื่อนไม่กดไลค์ก็ธรรมดาเขาคอมเมนต์เสียหายก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าผู้จ้าก็บอกอยู่แล้วว่าโลกธรรมเนี่ยก็คือว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศสารเสริญกับยินทาเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันชวนให้ขัดใจเนี่ยเราก็มองว่าเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นวิธีมองแบบหนึ่งเจ็บป่วยก็ธรรมดา มองได้นะฮะรหรือจะมองว่ามองแง่บวกก็ได้ว่าเอออย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นการมองแง่บวกว่าไ อ, อสิ่งแยะๆที่มันเกิดขึ้นด้วย อ, อ น, นิถารล์เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราอมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างรพระตเจ้าเนี่ยได้เคยบอกพระนันทิยะซึ่งต่อมาเป็นพระอรหรันต์นะว่าบุคคลที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารลมและอ น, นิถารมณ์รพระผู้มีพระภาคเจ้าสรารสวนพูดนั้นว่าเป็นบัณฑิต อั น, นิี้ารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็คือเหตุการณ์ที่แย่ๆเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครชอบเสื่อมราบเสือนยบสานินทาหรือว่าทุกข์พวกนี้เกิดออนิถารลมรวมทั้งความโกรธความไม่พอใจครับเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันว่ามันมีอะไรดีบ้างมันบอกอะไรเราบ้างที่เป็นธรรมะแล้วมันสอนใจอะไรเราบ้างอันนี้ตมาก็ถือเป็นการมองแง่บวกนะ คือรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เห็นด้วยสนับสอนและสิ่งที่อาจารย์กำพลก็ทําอย่างนี้แหละอาจารย์กำพลบอกอยู่เสมอว่าเพราะเจอทุกนั่นสิถึงรู้จักถึงเห็นทางคนทุกเพราะเห็นทุกจึงเห็นทางคนทุกซึ่งก็ตรงกับที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าเมื่อเห็นทุกย่อมทุกใช่ไหมทุกเนี่ยมาเพื่อสอนเราให้เห็นว่า มันมีจุด่อดอย่างไรครับมันมีทางพ้นทุกข์อยู่ในตัวทุกข์อย่างไรบ้างถ้าเราถ้าเราไม่เห็นเจอทุกข์เราเป็นทุกข์เลยเนี่ยครับเราก็มืดแปดด้านเพ้อเพอใจเราก็ไปอาบายเลยก็คือเราโกรธเราขับแค้นเราโกรธเราขุนเคืองอันนี้แล้วจิใจเราเป็นอกุศลไปอาบายแล้วอาบายทั้งในแง่ที่ว่าจิตขุนมัวแล้วถ้าเกิดตายไปจริงๆตอนนั้นก็อาบายจริงๆเลยคือไปทุกติภพ แต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีเราเจอสิ่งที่มาชวนให้ขัดใจแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ทุกข์เราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจความกลัวความขุ่นเคืองนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพ้นทุกระดับหนึ่งหรือถ้าเราเห็นไปถึงขั้นว่าโอ้ที่ทุกข์นี่เพราะยึดติดถือมัน่นให้ความทุกข์เนี่ยมาสอนให้เราได้เห็นเลยว่าที่ทุกข์เพราะยึดติดถือมัน่น และไม่ทุกได้อย่างไรก็ปล่อยวางใช่ไหมเพราะปล่อยวางเนี่ยมันก็พ้นทุกใช่เพราะนั่นต่มาคี่ว่าการมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาอันนี้ก็ถือเป็นการมองความเป็นจริงแบบหนึ่งการมองในแง่บวกก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถจะยกจิตอยู่เหนือทุกได้ ค, คือการยังทุกอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกแล้วเงินหายเอาคืนไม่ได้ แต่ก็หายแต่ของเสียแต่ของใจไม่เสียอครับถ้าสมาธิว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งนั้นครับแล้วแต่ว่าใครถนัดนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ต้องรู้จักมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเห็นทะลุไปถึงขั้นนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นถึงขั้นนั้นเนี่ยนี่คือการมองเห็นถึงลักษณะความเป็นจริงอย่างถึงที่สุดซึ่งก็ทําให้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 ไม่ค่อยเจอเรื่องที่มากระทบกายให้เป็นทุกข์ให้เกิดทุกขเวทนาไปไหนก็ไม่เหนื่อยมีรถใช่ไหมบางทีวันไม่ต้องเจอแดดเลยก็ได้เ<ม>พราะอยู่ในห้องแอร์<ม>แต่ว่าที่ทุกขกันมากเนี่ยคือทุกขใจใช่ไหมทุกขเพราะเจอสิ่งที่ใจเรามันไม่ได้กระทบกายเลยนะแต่มันล้วนแต่กระทบใจใช่ไหมอตาตมาแค่นี้คือปัญหาคนสมัยนี้ไห<ม>ก็คือว่าทุกขกายน้อยแต่ทุกขใจ และพอถึงเวลาทุกข์ใจจริงๆเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยจิตเนี่ยก็เข้าถึงภาวะวิกฤตเลยก็คือว่ามันทั้งป่วยทั้งป่วยกายแล้วก็ป่วยใจด้วยและป่วยใจเนี่ยบางทีมันหนักกว่าป่วยกาย ม, มันไม่ใช่แค่ตัวที่ซ้อนอยู่บนความป่วยกายเท่า น, นั้นแต่มันเป็นเหมือนกับหินที่กดทับลงมาป่วยใจเนี่ยหนักกว่าป่วยกายนะฮะ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 ในฐานะคารวะนะครับตอนที่อาจารย์น้องเจออาจารย์กําพลครั้งแรกๆตอนนั้นอาจารย์น้องคิดอย่างไรก่อนครับพอเห็นบอกว่าตอนที่เจออาจารย์กําพลตอนนั้นก็ยังยังไม่รู้จักใช่ไหมครับว่าอาจารย์กําพลเป็นใครอ ย, าราารอย่างนี้นะฮะแล้วตอนเจอแบบแรกในฐานะของคารวะคนหนึ่งคิดยังไงบ้างครับน้ <ran> <โ carrier S 1> องโอกาสท่า น, นาอาจารย์ค่ะตอนที่เจอท่านอาจารย์กําพลครั้งแรกจําได้ว่าเจอที่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 รายการคนๆที่เคยไปทําเรื่องของอาจารย์มีสัก5น่าจะกเกินห้าปีขึ้นไปนะครับผมจำได้ว่ช่วงนั้นอาจารย์อาจาอาจะก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็ยังยังแข็งแรงพอที่จะเดินทางไปที่โนทนที่นี่อยู่เราจะเห็นว่าเวลาอาจารย์จะไปบรรยายทําที่ไหนเนี่ยสมมติว่าจะไปต่างจังหวัดจะต้องจอดรถพักเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะปรับร่างกายเพราะว่าไม่สามารถที่จะนั่งนานได้หรือแม้กระทั่ง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 บรรยายให้เราหนึ่งชั่วโมงมันการเตรียมตัวนะคะเพอถึงตรงนี้นะคะนอกจากจะเห็นกําลังใจของอาจารย์แล้วแง่มุมอีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้สัมผัสเอา อ, อาจารย์ก็คือความรักคุณแม่อมคุณแม่ของอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยในท่านอาจารย์มาดูแลแล้วได้เห็นความเพื้อกูลของครูบอาอาจารย์หลวงพ่อคําเขียนนะคะท่านอาจารย์ทรงศีลท่านจะไปเยี่ยม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 อันนี้คือเห็นบ่งบองที่งดงามแล้วก็ได้น้อมตัวนั้นนะคะว่าเรามีต้นแบบที่ดีเราควรจะทำกบุพการีของเราบ้างถ้ารเรามีโอกาสเรายังมีโอกาสนะจนกระทั่งอาจารย์ได้ส่งมอบคุณแม่อย่างงดงามเมื่อท่านสิ้นชีวิตลงนะคะอันนี้ก็คือความประทับใจบแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะครับพระอาจารย์ครั บ, ร บ, รรบถ้าฟังจากอาจารย์น้อง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 สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คําสอนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้สัมผัสได้จากกระเจย์กําพลนะและทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาเห็นาารกระเจิงกําพลก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความแจ่มใสเบิกบาน<ม>นะเข้าไม่ถึงความทุกข์ทางกายแต่แต่ตามาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเนี่ย ถอยหลังไปสิบยี่สิบปีที่แล้วหรือสามสิบปีที่แล้วเป็นคนที่ทุกข์มากอือัตมาได้มีโอกาสได้ดูดูต้นฉบับของอาจารย์กำพลทั้งที่พิมพ์แล้วและที่กาลังจะพิมพ์ตอนนี้มีเพื่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์กำพลตั้งแต่สมัยที่ย้อนหลังตั้งแต่สมัยที่ท่านเพิ่งเกิดแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็เติบโตมาครับจกนกระทั่งถึงตอนที่ป่วยแล้วก็ข้ามพ้นความป่วย ความป่วยกายได้เนี่ยอาจารย์กมพรเป็นคนที่มีความทุกข์มากนะฮะโดยเพราะคือป่วยตั้งแต่ออทุกข์ตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะป่วยพิการแล้วเป็นคนที่ทุกข์มากเพราะว่าความยากจนความที่ต้องดิ้นรนกระเสิกระสนแล้วก็มาเจอเครอซัมกัมซัตพิการสิ่งที่อาจารย์กพรได้พูดในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันบ่งบอกถึงความทุกข์อย่างที่คนทั่วไปเนี่ย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 ย้อนกลับไปรับรู้ถึงความทุกข์อาจารย์กำพลสมัยเมื่อสิบยี่สิบปีเมือ่อสักยี่สิสาสิปีที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเทียบไม่ได้กับอาจารย์กำพลแต่อาจารย์กำพลเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นได้หรือว่าสามารถเทียบพลิกหน้ามือเป็นหลังพลิกหลังมือเป็นหน้ามือได้เนี่ยอาตมาเชื่อเป็นเรื่องที่น่าสัจจันมากนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยโดยลักจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือประจัดพยานถึงอนิสงค์ของธรรมะว่า มันสามารถเทียบเปลี่ยนชะตาชีวมนคนเนี่ยนะให้พลิกผันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันทําให้เราได้เชื่อเลย ว, ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นนะแต่ว่าเราสามารถจะสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยถ้าเราจํานนต่อความพิการแล้วเราก็บอกเนี่ยท่านเกิดมาเพื่อใช้กรร ม, มเราก็จะไม่มีทางค้นพบทางออกจากความทุกข์ได้แต่จางกากพลเนี่ยท่านได้ไม่ใช่คิดว่า เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เราสามารถจะสร้างกรรมใหม่ได้ครับโดยสปฏิบัติธรรมโดยสสมาธิภาวนานเนี่ยก็สามารถจะทําให้ถ้าหลุดพ้นจากความทุกข์อนั้นได้อืแล้วพอหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขความแจ่มใสความเบิกบานก็สามารถจะแผ่ให้กับผู้อื่นได้จนกระทั่งหลายคนเนี่ยพูดว่าเนี่ยมีมีคนพูดเลยนะว่าถ้าเขาพิการอย่างกระตังกำพลนะแล้วเขามีความสุขอย่างกระตังกำพลแล้วเขาเอาเขาเลิกที่พิการอย่างกตังกำพลคนที่พูดเนี่ยก็มี อวัยวะครบสาสองเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปช้อปปิ้งได้นะไปเที่ยวห้างได้ไปต่างประเทศก็ได้แต่เขามีความทุกข์และเขาพร้อมที่จะแลกอ่าพร้อมที่จะเป็นอย่างกระตังกำพลในแง่ร่างกายถ้าเขาสามารถจะมีความสุขแบบกระตังกำพลได้ครับ <c oughs> แต่สมาชิกว่าไม่ต้องรอพิการอย่างกระตังกำพลหรอกอ่ะ ที่คุณยังทำอะไรได้อย่างยันยันนั่นแหละใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เต็มที่อย่าใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพียงแค่ 5% เปอร์เซ็คุณใช้แค่ 20% สเอร์เซนนี่ยคุณก็สามารถจะไปถึงอย่างอาจารย์กำพลหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับอาจารย์เวลาเจอความทุกข์เสร็จบางทีมันเหมือนมันเหมือนเราจะยอมจำนนกันง่ายๆฮะเช่น ย, ยอมจำนนก็ด้วยเหตุผลที่ว่า มันก็อาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมหรือมั่งจะไปอะไรได้อะไรแบบนี้นะคะก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ตักกะหลักคิดเข้ามาตรงนี้แล้วมุมตรงนี้เราควรมองอยังไงครับเราควรมองว่ามันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมหรือมันเป็นมันเป็ น, น, เ, ปนเรื่องที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเราให้ฝ่าข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ครับยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรือยอมจำนนนะเช่นเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ยอมรับเราไม่ตีโพตีผาไม่โอดโอย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมจำนนก็หมายความว่า ถ้ามันรักษาได้ก็รักษาเหมือนกับบ้านหลังคารั่วปลวกชอนชัยเราก็ไม่ทุกข์เราก็ยอมรับไม่บน่นไม่บวยวายไม่ตีโพติพายแต่ก็ต้องซ่อ ม, อมยอมรับไม่ได้แต่ว่ายอมจำนวนหลายคนไปเข้าใจว่ายอมจำนวนคือปล่อยวางซึ่งไม่ใช่ หลวงพ่อชาตินเคยเล่าว่าสมัยที่วัดหนองประพงษ์ยังไม่ได้เจริญมากเนี่ยกุฏิพระส่วนใหญ่ก็มุงจากแล้ววันนึงก็เกิดพายุมีกุติหลังนึงเนี่ยหลังคาจากถูกพัดหายไปครึ่งหนึ่งบอกว่าพระในกุฏินั้นก็ยังยังนั่งภาวนาอยู่หลวงพ่อชาติถามว่าทําไมไม่ซ่อมหลังคาพระตอบว่าผมกาลังปล่อยวางครับ หลวงพ่อเาบอกว่าไอ้ปล่อยวางแบบคุณนี่มันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่วางเฉยแบบบัแบบควายนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือปล่อยวางเป็นเรื่องของทมจิตแต่ทมกิจก็ต้องทำพุทธศาสนาสอนให้ทาจิตและทากิจทาจิตคือยอมรับแต่ถ้าอะไรที่มันทําได้รักษาได้แก้ไขได้ก็ต้องทา <c oughs> ใช่ไหมยอมจำนวนแปลว่าคุณทาจิตดีแล้วแต่คุณไม่ทากิจ ใช่ไหมต้องทํากิตด้วยคุณรักษาคุณป่วยคุณยอมรับอันนี้เรียกว่าทําจิตแต่คุณก็ต้องรักษาตัวออกกําลังกายปรับอาหารใช้ช่วยให้มีถูกอนามัยอันนี้เรียกว่าทํากิจบ้านหลังคารั่วทําจิตคือปล่อยคือปล่อยวางไม่ทุกข์แต่ว่าคุณก็ต้องซ่อมด้วย นั้นอาตมาคิดว่านวเนี่ยส่วนใหญ่ยังเข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือทํากิจไปเข้าใจว่าปล่อยวางเนี่ยก็คือไม่ทํากิจปล่อยวางคือทํากิตแต่ว่าทํากิจก็ต้องทําด้วยใช่มครัเพียงแต่ว่าในบางสถานเนี่ยมันทําได้ไม่ได้แล้วเช่นคนรักตายเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องทําใจลูกเดียวใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่เรายังยังทำได้ก็ต้องทํา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 ช่วงนี้คุณพ่อไม่สบายอะค่ะก็าอายุกันเยอะละกำลังจะเกาตรงเดือนเมษานี้นะคะคุณพ่อก็เป็นหลายโรคมากเลยนะคะก็ทำในฐานะผู้ดูแลลูกๆห ล, ล, ลายคนช่วยกันดูแลคุณพ่อเราก็เห็นความเจ็บป่วยของพ่อแล้วก็เห็นความเจ็บป่วยของครูบาอาจารย์ นะอย่างเช่นท่านอาจารย์กำพลท่านเป็นมากกว่าคุณพ่อหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นมากกว่าคุณพ่อแต่ท่านสดใสนะคะท่านเบิกบานแล้วมาเทียบกับคุณพ่อซึ่งทําบุญเยอะนะคะแล้วก็อทอดผ้าป่าทอดกรถินตั้งกองทุนอะไรต่างๆมากมายแล้วเวลาชวนพ่อปฏิบัติธรรมพ่อก็บอกว่าพ่อจเจริญสติอยู่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 และอีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะทำอาหารแล้วก็ให้ลูกหลานมาวิ่งมัดมาอยู่ที่บ้านให้เหมือนกับว่าท่าน อ, อ, อยู่ในแวดวงของคนที่ที่รักท่านแล้ว เ, เตี่ยต้องใส่สายยางที่จะใส ส, า ย, สายอาหา ร, รท่านจะเอาออกตลอดเวลา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 และสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่รู้วิธีที่จะรับเมื่อความปวดเมื่อมันมันเป็นปวดก้อนใหญ่อาตมาคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทาอย่างไรเราถึงจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะปฏิเสธไม่สามารถจะผลักใสความเจ็บปวดได้เราต้องยอมรับยอมรับความเจ็บปวดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะปฏิเสธนะและยังไม่มีสติรู้เท่าทันเนี่ย ก็จะปฏิเสธผักใสนักธรรมชาติของจิตคือยิ่งปฏิเสธยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดใช่ไหมเรายิ่งไม่ชอบคําตําหนิเตียนคําต่อว่าดาวทอเราเราก็ยิ่งนึกถึงมันนะเรากกรกรเกลียดกลิ่นเหม็นเราก็ยิ่งนึกถึงกลิ่นเหม็นถ้ามือเราไปถูกของเหม็นเนี่ยใช่ไหมเป็นปลาร้าเป็นน้ําปลาเนี่ยเราไม่ชอบมันเหม็นเราก็จะเช็ดเราก็จะถูเสร็จแล้วเราทำงานอามตะ เราไม่ชอบเนี่ยแล้วต้มทําไมแล้วเสร็จแล้วก็ล้างอีกแล้วก็มาต้มอีกยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดอนั้นยิ่งปฏิเสธความปวดเนี่ยมันก็ยิ่งจิตมันก็ยิ่งจมปักติดตรึงอยู่ความปวดสติสําคัญตรงนี้สติทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ้าพูดภาษาพระหรือภาษาธรรมเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย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 ความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตนะและในเมื่อเราต้องเจอมันนะเราต้องรู้จักที่จะอยู่กับมันให้ได้ผู้เจา้าเนี่ยเอาสอนว่าทุกข์เนี่ยเป็นข้อแรกของอริยสัจสี่ 4. ทำไมฮะทำไมถึงยกเอาทุกข์เป็นข้อแรกของอริยสัจสี่ 4? เพราะว่าประทุก์เนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ความจริงอีกสามข้อที่เหลือคือสมุทัยนิโรธมรรค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 นิคนก็บอกว่าเอวงั้นพระเจ้าพิพิสารก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสุขของพระเจ้าสิ<ม>เพราะพระเจ้าพิพิสารมีลาบมียศมีสุขนะมากมายยิ่งกว่าผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าจริงเหรอที่พระเจ้าที่พระเจ้าพิมพิสารมีความสุข<ม>พระเจ้าพิพิสารเนี่ยสามารถจะนั่งอยู่นิ่งๆโดยไม่ขยับได้ไหมเจ็ดวันก็ไม่ได้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 แต่ก่อนเคยคิดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยนะมันเป็นทองแต่วันหนึ่งเราพบว่าสิ่งที่เราถือมันเป็นขี้ <langsam> เราจะถือต่อไปไหมถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยนะมันคือดอกไม้มันคือสิ่งที่สวยงามแต่เจ้าวันนึงเราพบว่ามันคือฐานก้อนแดงเราจะยังถือต่อไปไหมก<ง><ง>็วางนะพระธรรมคิดว่าเนี่ย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 คือเอาตัวไปคลุกกับมันเลยใช่ไหมครัครูบาอาจารย์สอนเจอทุกต้องเห็นทุก<ม>อย่าเป็นทุกหลวงพ่อเขเคียบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอันนี้รวมถี่ว่าเห็นทุกอย่าเข้าไปเป็นทุกใช่ไหมถ้าเราไม่มีสติเราจะเข้าไปเป็นเป็นผู้ทุกแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นทุกอืมนะเราเห็นทุกเราก็จะเห็นว่ามันทุกเพอยึดติด ถ, ถือมัน่น<ม>ใช่ไหมและเมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นมันก็จะปล่อยมันก็จะวางได้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 ความทุกข์ทำให้เห็นทางคนทุกข์ใช่ไหมครับเมืม่อรู้จักเมื่อเจอทุกข์ก็รู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์ก็เห็นทางคนทุกข์ได้ครับตอนนั้นเนี่ยทำไมที่ว่าจะกลัวทุกข์นะหลายคนกลัวปีชง <c oughs> กลัวปีชงเพราะอะไร <c oughs> เพราะกลัวจะเจออนิถารลมเจอเจอโน่นเจอนี่เจอเจ็บเจอป่วยเจอความสูญเสียไม่ต้องกลัว <c oughs> ใช่มเ <c oughs> พราะนั่นแหละ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 พระอาหารหันต์จำนวนมากเนี่ยท่านบรรลุธรรมตอนจะตายเนี่ยรแล้วแต่เจอทุกข์หนักๆทั้งนั้นใช่มฮะเจอเสือกัดตายเจอเจออ่เจอไฟครอกหรือว่าเจอทุกข์ที่เจอเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนมันคือตัวที่กระตุ้นกระตุกจิตให้เห็นธรรมจนพ้นทุกข์ได้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 แต่ใครที่ไปเยี่ยมอาจารย์กัมพลก็จะสัมผัสได้ถึงความเบิกบานความแจ่มใสอาจารย์กัมพลแฮปปี้ยิ่งกว่าทำไ ม, มนะเวลาตมาไปเยี่ยมอาจารย์กัพลเนี่ยนะทำไมทําได้อย่างไรนะท่านก็มีเคล็ดลับอยู่สามข้อนะที่ท่านได้พูดเอาไวา้คือหนึ่งยอมรับความจริงเดีย๋ยวมรับความจริงว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่ปฏิเสธไม่ผักใส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 มันก็มีแต่ความทุกข์กาแต่ใจไม่ถูกนะการเห็นความจริงของรูปแระนามไม่มีเราอันนี้ธรรมะที่สำคัญมากซึ่งเจาเกิดขึ้นได้ก็จากการปฏิบัติหรือจะเห็นความจริงในระดับที่เป็นในระดับที่เป็นอย่างที่ท่านพระสารีบุตรใช้เขาว่าการไม่ยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย เป็นเราของเราก็ได้อันนี้ก็อธิบายสักหน่อยนะก็คือว่าอย่างที่ธรรมะได้พูดตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมนกคุณบิดาซึ่งป่วยหนักพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้ตรัสว่าท่านพึงสําเนียกว่าแม้กายป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยแม้กายถูกรบรุมเลาแต่อย่าให้ใจถูกโรบลุมเลาด้วยนักกุณบิดาก็มีความปิติช่มชื่นแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทําได้อย่างไร ก็ไปปรึกษาพระไตรปุฎพระไตรปก็อธิบายว่าถ้าหากเป็นอยู่โดยไม่สำคัญมันหมายว่ารูปเป็นเราเป็นของเรานะเมื่อใดก็ตามที่รูปแปรปวนก็จะไม่มีความโศกไม่มีความข่ําครวญไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีความขับแยนใจก็คือใจไม่ป่วยอันนี้ก็หมายความว่าการเห็นความจริงว่าไอ้รูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือความเข้าใจเรื่องอนัตตาถ้าเราเข้าใจ เนความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้จิตปล่อยวางความทุกข์ไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจได้อธิบายแค่เวลาพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยมันปล่อยวางได้หลายระดับปล่อยวางด้วยสติก็ได้ก็คือว่าเมื่อใจใจใ จ, ใจเกิดความเกิดโทสะเกิดความอาการผักใสมันดิน้นมันปฏิเสธก็เห็นใจที่ดิ้นปฏิเสธนั้นเมื่อเห็นเนี่ยมันก็จะวางได้แม้กาย ปวดมันก็ปวดแต่กายนะแต่ใจไม่ปวดเพราะว่าใจเมื่อยอมรับมันก็ความทุกข์ความทุกข์ใจก็น้อยลงหรือเห็นด้วยปัญญาอย่างเทตมาพูดนะเห็นความจริงว่าที่จริงแล้วมันไม่มีเรามันเป็นรูปกับนามรือเห็นความจริงว่าไอ้รูปใบหนา้าสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหรือเฉพาะตัวรูปอย่างเดียวเนะี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างที่พระสัจจะบุตรท่านพูดปล่อยวางยังสามารถจะทำใจอะไรอย่างนะ ปล่อยวางด้วยด้วยสมาธิก็ได้นะฮ ะ, อ, ะอาจารย์กัมพลท่านไม่ได้ไม่ได้หนักไปทางนั้นแต่ตามาคิดว่าสำหรับหลายคนเนี่ยสมาธิมันก็ช่วยได้คุณหมอมารามะลีลาเคยเล่าว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุสีิบเท่านั้นเองปรากฏว่ามะเร็งมะลามไปถึงกระดูกแล้วแล้วก็ปวดมากคนไข้เนี่ยนะ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 คนไข้เนี่ยไม่เคยทําสมาธิทํำยังไงคุณหมอก็แนะนําว่าคุณหมอมาราศก็แนะนำว่าหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทรอดจิตกําหนดอยู่ที่ลมหายใจคนไข้ก็ลองทําดูคนไข้ไม่เคยทํานะคุณหมอมาราศ์คิดว่าทําให้านาทีก็คงไม่ไหวแล้วทีแรกคนไข้เนี่ยหายใจเนี่ยหายใจด้วยความเสียงมันบอกถึงความหอบเหนื่อยแต่พอทําไปได้สักพักเนี่ยจิตเริ่มสงบ5้านาทีผ่านไปก็ยังนั่งสมาธิอยู่สินาทีผ่านไปก็ยังนั่งสมาธิ บอกว่านั่งถึง45นาทีแล้วก็บอกว่าพอนั่งเนี่ยพอออกมาเนี่ยออกจากสมาธิเนี่ยแจมสยเม็ดเหงื่อเนี่ยเม็ดตั ว, ต, วตัวหายไปเลยปากเป็นสีชมพูความปวดทุเรศลงไปอย่างมากไม่ต้องการหมอฟีแล้วแล้วบอกว่าอาศัยสมาธิภาวนาธรำเนี่ยบอกว่าจากเดิมที่ขอมอฟีดทุก2ชั่วโมงซึ่งหมอให้ไม่ได้เนี่ยในสุดเนี่ยวันหนึ่งก็แค่2ครั้งนั้นนะ่ะจากการขอ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 อาตมาจริงๆนั้นเนี่ยคำว่ายอมรับเนี่ยมันปล่อยวางในตัวนะถ้ายอมรับเนี่ยแค่ยอมรับตามก็ปล่อยวางในตัวมันไม่ใช่คนละเรื่องถ้ายอมรับจริงๆเนี่ยนะใจมันไปดูเบีขาเมื่อไปดูเบีขาเรามันก็ปล่อยตรงข้ามถ้าผักใส่เพื่อยิ่งยึดติดนะถ้าเราปล่อยทุกอย่างก็สามารถจะวางทุกสิ่งได้แต่ถ้าเราผักไสมันก็จะยิ่งยึดติดมากขึ้นการที่เราจะฝึกใจให้ยอมรับเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอไม่ใช่ว่าคิดจะเอาแต่ว่าต้องต้องฝึกด้วยใจของล็อกย่ใบบอลขอบพระคุณครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ฟังค <ผม S 2> ราอาจารย์พูดในวันนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นแรงกระตุ้นด้วยก็ได้นะครับที่จะทำให้เราเร่งรีบแล้วก็รุดปฏิบัติแล้วก็เร่งทานะครับเพราะว่าถึงตอนนั้น